บทที่เจ็ดความเป็นมาแห่งผู้สร้างนครปาตาลีบุตรตอนภายในพันธนาคารแห่งเบญจคิรีนครพระเจ้าอาชาศัตรูดับถ้อยคำของพระเทวทัตแล้วตรองตามก็ทรงเห็นจริง และสั่งปลงพระชนสมเด็จพระราชบิดาเสียก็เป็นการรุนแรงเกินไปน้ำพระทัยของพระองค์ยังไม่เยี่ยมโหดและแข็งพอที่จะกระทาเช่นนั้นได้จึงรับสั่งให้นำพระเจ้าพิมพ์พิสารเข้าจองจำนับพันธนาคารพระองค์ทรงกระทาเพียงเพื่อความปลอดภัยของพระองค์เองมนุษย์ส่วนใหญ่ยังมีความเห็นแก่ตัวผนึกแน่นอยู่ในส่วนลึกของดวงจิต การกระทําใดๆที่จะนําภัยพิบัติมาสู่ตนเองหรือเสี่ยงต่อภัยเช่นนั้นแม้จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมเพียงใดแต่ถ้าขัดผลประโยชน์ของตนเองก็จะมีคนน้อยนักที่จะยอมสละประโยชน์ส่วนตนนั้นโดยเฉพาะผู้ที่ก้าวเข้าสู่ความยิ่งใหญ่แล้วย่อมพยายามทุกวิถีทางที่จะรักษาความยิ่งใหญ่ไว แม้ในการพยายามรักษาความยิ่งใหญ่เขาจะก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเขาก็ทําเป็นเพิกเฉยเสียพระเจ้าอาชาตสัตรูเป็นเด็กหนุ่มธรรมดาที่เกิดในตระกูลกษัตริย์เมื่อก้าวขึ้นสู่ความยิ่งใหญ่โดยวิธีอันมิชอบพระองค์ก็ต้องกระทําสิ่งมิชอบมากขึ้นเพื่อรักษาความยิ่งใหญ่ของพระองค์ไว้กลาไปขัดนโยบายสร้างความยิ่งใหญ่ของผู้ยิ่งใหญ่เข้า แม้จะมีความหวังดีสักเพียงใดก็ตามผู้ยิ่งใหญ่ย่อมถือว่าผู้นั้นเป็นศัตรูพระเจ้าอาชาศัตรูสั่งขังพระเจ้าพิมพ์พิสารด้วยทรงมุ่งหมายว่าให้สมเด็จพระราชบิดาทรงลำบากและสิ้นพระชนไปเองต้องการให้ความลำบากเป็นเครื่องมือฆ่าสมเด็จพระราชบิดาพระองค์ทรงมั่นพระทัยว่าสมเด็จพระราชบิดาเสวยแต่ความสุขสบายมาตั้งแต่ทรงพระยาว เบจนบัตรนี้ไม่เคยต่อความลำบากไหนเลยจะทนต่อความลำบากในที่จองจำคุมขังได้ประดุจพันไม้ซึ่งจเจริญงอกงามในที่มีอากาศหนาวเมื่อนาไปปลูกในอากาศร้อนก็ย่อมจะเหี่ยวเฉาตายไปเองแต่ทรงเข้าพระไทยผิดไปพระเจ้าพิมพิสานบัตรนี้ถ้าเปรียบเป็นพันไม้ ก็เป็นพันไม้ที่จเจริญ ง, งอกงามได้ทั้งในที่อากาศหนาวและอากาศร้อนพระองค์สามารถปรับดวงหาทิยให้เข้าได้รับกับเหตุการณ์ทุกอย่างนี่เป็นด้วยอำนาจแห่งธรรมที่พระองค์ทรงบรรลุแล้วเป็นปฐมทัศนาในอริยศัสตร์กล่าวคือโสดาปติผลฝ่ายพระนางเจ้าเวเทหิพระอัครมเหสีทรงทราบว่า บัดนี้พระสวามีถูกคุมขังทรงเศร้าสลดพระไทยเป็นที่ยิ่งมันเสด็จไปเยี่ยมพระเจ้าพิมพิสารทั้งเช้าและเย็นพร้อมกันนั้นก็ได้นาพระกยาหา a อันประนีตควรแกกริย์ไปถวายทุกเพลาที่เสด็จเยี่ยมคนอื่นถูกห้ามขาดเยี่ยมพระเจ้าพิมพิสารไม่ได้เลยเจ็ดวันล่วงไป พระเจ้าอชาติสัตรูทรงทราบว่าสมเด็จพระราชบิดายังทรงพระชนอยู่ด้วยพระกาหารที่พระมารดานำไปถวายจึงสั่งคนคุมให้กวดขันไม่ให้พระมารดานำพระกาหารเข้าไปแต่ไม่ได้ทรงห้ามเยี่ยมพระนางเจ้าเวเทหิทรงหาอุบายที่จะนำพระกาหารเข้าไปจึงได้สะพระเกาให้สะอาดด้วยน้ำหอม แล้วใส่พระกยหารไว้ในมวยเกษาเสด็จเข้าเยี่ยมครีมวยพระเกษาออกแล้วนำอาหารถวายพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าชาติศัตรูทราบดังนี้จึงรับสั่งให้โกนพระเกษาของสมเด็จพระมารดาออกเสียพระนางจึงล้างฉลองพระบาทให้สะอาดด้วยน้ำหอมแล้วยกฉลองพระบาทขึ้นเหนือพระเสียรพร้อมด้วยอธิษฐานพระไทยว่า ฉลองพระบาทนี้เป็นของตาไม่ควรแก่การจะใส่อาหารถวายพระราชาธรมิกราชเช่นพระสวามีเลยแต่ข้าพเจ้าได้กระทำครั้งนี้ด้วยดวงใจที่สูงยิ่งกระทำเพื่อบูชาพระคุณอันประเสริฐของพระราชาสวามีด้วยเหตุนี้ถ้าโทษอันใดจะพึงมีเพราะการกระทำของข้าพเจ้า ขอให้โทษนั้นจงสลายไปด้วยอนุภาพแห่งดวงใจอันบริสุทธิ์ของข้าพระเจ้าเถิดแล้วพระนางก็เสด็จดำเนินอย่างเบาเข้าไปสู่ที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสารสวยพระกยายหารที่พระนางนำไปถวายโดยวิธีนั้นมิได้ทรงรังเกียจเลยต่อมาพระเจ้าอาชาสศตรูทรงทราบจึงรับสั่งไม่ให้พระราชมารดาฉลองพระบาทเข้าไปเยี่ยม พระนางเจ้าเวเทหิตทรงทราบเรื่องนี้แล้วทรงรู้สึกหนักพระทัยยิ่งนักคืนนั้นตลอดราตรีพระนางมิได้บรรทมหลับเลยทรงกระสับกระส่ายกระวนกระวายอยู่ตลอดราตรีจวนจะรุ่งสางอยู่แล้วพระนางมองดูพระสรีระรูปแห่งพระนางเองซึ่งบัดนี้เหี่ยวแห้งโรยราไปตามวัย ชลาลักษณะปรากฏอย่างชัดเจนพระนางทรงจินตนาการว่าร่างกายสังขารที่ยังเหลืออยู่อย่างสุดโทมนี้พอจะทำประโยชน์อะไรกับพระราชสวามีได้อีกบ้างทันใดนั้นดวงปัญญาก็พลุ่งโพร่งขึ้นพระนางจึงสงสนานชำระพระวรากายให้สะอาดประพรมน้ำหอมและนนำพระกยาหารอันประนีตละเอียดอ่อน รูปหลายทาพระวรกายทรงพระภูษาใหม่เสด็จเยี่ยมพระราชสวามีพระเจ้าพิมพิสารทรงเลียพระกายหารซึ่งติดพระกายพระมเหสีและทรงดำรงพระชนชีพอยู่โดยวิธีนี้หลายเวลาพระเจ้าอชาตสตรูทรงทราบเรื่องนี้จึงสั่งห้ามมิให้พระมารดาเข้าเยี่ยมพระราชบิดาอีกเลยเย็นวันนั้น พระนางเจ้าเวเทหิจึงตัดสินพระไทยเข้าเฝ้าพระราชาพระองค์ใหม่ทำไมลูกจึงทำกับสมเด็จพระราชบิดารุนแรงถึงปานนี้พระนางตรัสถามพระอสุชนคลอเบ้าพระเนตรอยู่ลูกทำเพื่อความปลอดภัยของลูกเองพระเจ้าชาติศัตรูตรัสตอบสมเด็จพระราชบิดาทรงทำอะไรให้ลูกไม่ไว้วางใจ เมื่อสมเด็จพระราชบิดาทรงครองราชยูรูลูกไม่ปลอดภัยหรือสมเด็จแม่อย่าทรงกังวลวุ่นวายอะไรไปเลยนี่เป็นเรื่องของลูกแม่เป็นผู้หญิงอย่ามายุ่งกับเรื่องอย่างนี้แม่เป็นผู้หญิงพระนางทวนพระดํารัตของอาชาศัตรูผู้หญิงนั้นมีหน้าที่มากเมื่อลูกอยู่ในท้องก็ต้องทำนุบำรุงคันของตัวอย่างสุดถนอม ไม่มีอะไรเปรียบได้เมื่อลูกคลอดแล้วก็ต้องระวังคุ้มครองรักษาและเลี้ยงดูรักยิ่งกว่าตนเองแม่ได้ทำหน้าที่นี้มาอย่างดีแล้วแม่เป็นทั้งแม่ของลูกและเป็นเมียของพ่อเจ้าแม่ต้องทำหน้าที่ของเมียที่ดีไม่ใช่ทำหน้าที่ของแม่อย่างเดียวเรื่องอะไรแม่จะต้องมาลาเลิกบุญคุณของแม่ให้ลูกฟังเวลานี้ สำหรับเสด็จแม่นั้นถึงเสด็จพ่อไม่อยู่ลูกก็เลี้ยงเสด็จแม่ได้เวลานี้แม่ก็แก่มากแล้วจะกังวลไปทำไมเสด็จพ่อจะอยู่หรือตายพระเจ้าชาติศัตรูตรัสอย่างหนักแน่นและตรัสต่อไปว่าแม่กลับไปตำหนักเสถเถอะอย่าทรงกังวลกับเรื่องนี้เลยแม่ประทับเสียให้สบายเรื่องต่างๆเป็นเรื่องของลูกเวลานี้ลูกเป็นผู้ใหญ่พอแล้ว อาชาศัตรูพระนางตรัสแล้วลูกจะเสียใจภายหลังแม่จะไม่ขอพบลูกอีกตั้งแต่บัดนี้ไปลูกกับแม่ไม่ต้องพบกันอีกแต่แม่จะขอเยี่ยมพระราชบิดาเป็นครั้งสุดท้ายเจ้าจะยินยอมไหมครั้งเดียวเสด็จแม่ครั้งเดียวเท่านั้นและขอให้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วลูกจะแม่อนุญาตอีก พระนางเสด็จเยี่ยมพระสวามีด้วยพระไทยเศร้าหมองเมื่อได้ทัศนาการจอมจัตุรงแห่งแคว้นมคตซึ่งดูสู้พร้อมลงเป็นอันมากแล้วพระนางไม่อาจอดกลัน้นอสุชนทาราวไว้ได้มันหลั่งไหลลงอาพระปรางประดุดหยาดน้ำบนใบพลึกในวัสาฤดูพระนางจ้องดูพระเนตรดูพระเจ้าพิมพ์พิสารนิ่งและนาน เหมือนจะฝังภาพทั้งหมดไว้ในสวนลึกแห่งดวงหัตไทยแล้วตรัสว่าพระองค์ผู้ประเสริฐบัดนี้เป็นปัดชิมทัศนาแห่งเราทั้งสองแล้วครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่หม่อมชันจะพึงเห็นพระองค์ได้อชาสัตรูใจโหด อนุญาตให้หม่อมชั้นเยี่ยมพระองค์ผู้ประเสริฐได้ครั้งนี้อีกครั้งเดียวเป็นความผิดของเราทั้งสองที่ถนอมเด็กคนนี้ไว้พระผ่านกล่าวผู้ประเสริฐบัดนี้ดวงจิตหม่อมชั้นระทมเศร้าสุดจะประมาณหัวใจของหม่อมชั้นชอกช้ำร้าวรานไม่เคยมีความทุกข์ครั้งใดใหญ่หลวงท่วมทับหม่อมชั้นเหมือนความทุกข์ครั้งนี้ พระองค์เป็นประดุจจัดแก้วคอยกั้นเกตหม่อมชันปรารถนาจะเป็นฉลองพระบาททองรองพระยุคลบบาทแห่งพระองค์ตลอดพระชนชีพแต่เหตุการณ์ได้มาตัดรอนสีเพียงนี้ความผิดพลาดใดทั้งกายหรือวาจาหากจะพึงมีขอพระองค์ได้โปรดอภัยในความผิดพลาดของหม่อมชันด้วยส่วนทางใจนั้นหม่อมชันรับรองได้ว่าไม่มี แล้วพระนางก็ทรงกันแสงสะอื้นอยู่จอมเสนาแห่งแคว้นมคตทรัตประทับยืนสงบนิ่งประดุกรูปสิลาความสงสารสังเวทต่ออาการของพระนางเจ้าท่วมทนพระไทยจนอสุชนในไหลหลังลงเวลาใดพระองค์หาทราบไม่ประดุดน้ำค้างถูกลมสลัดจากใบพรึกลงสู่กองหญ้าแห้ง ทรงดำรงอยู่ในลักษณะนี้ขณะหนึ่งจึงตรัสว่าเวเทหิเอยเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เธออย่าโทษใครเลยมันเป็นโทษของวัตตสงสารตังหากเล่าเป็นเพียงฉากหนึ่งของชีวิตซึ่งท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏจะพึงได้รับความสุขความทุกข์ความชื่นบานหันษาและรัฐมเศร้านั้น เป็นสั ญ, ญลักษณ์ของชีวิตที่ดิ้นรนทั้งมวลชีวิตย่อมเป็นไปตามแรงดันแห่งกรรมไม่มีแรงใดจะแข่งกับแรงกรรมได้ดังนั้นชีวิตมนุษย์ทุกชีวิตจึงเป็นสนามสำหรับทดลองแรงกรรมเรื่องของกรรมเป็นเรื่องที่เราต้องปลดเปลื้องและชดใช้เหมือนการใช้หนี้เราไม่ใช้วันนี้ก็ต้องใช้วันหน้าเรื่องเจริกเลี่ยงนั้น เป็นเรื่องที่ทำได้ยากยิ่งนะักเวเทหิเอยพระบรมศ า, ศาสดาทรงพระรัมสอนพวกเราอยู่เสมอมิใช่หรือว่าเราควรพิจารณาเนืองๆดังนี้เราจะต้องแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไมิได้เราจะต้องเจ็บเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไปไมิได้เราจะต้องตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไมิได้ เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของพึงใจเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นเรื่องนี้ไปไม่ได้เลยเว้นแต่จะเร็วหรือช้าเท่านั้นเราจะต้องรับมรดกแห่งกรรมทํากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามเราจะต้องรับผลแห่งกรรมนั้นพระองค์ผู้ประเสริฐพระนางเวเทหิครวรต่อไปหม่อมชั้นเศร้าสลดพระสงสารพระองค์สุดจะพรนานาได้ พระองค์เคยทรงเป็นกษัตริสุขุมาราชชาติเคยพรั่งพร้อมด้วยความสุขสมบูรณ์มาแต่ทรงพระยาวไม่เคยประสบความลําบากยากแค้นเคยมีข้ารัชบริพารมากมายอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะทรงประสงค์สิ่งใดบัดนี้สิ่งเหล่านั้นหมดแล้วไม่มีเหลืออยู่เลยพระองค์จะทรงทนภาวะอย่างนี้ไปได้อย่างไรหม่อมชั้นสงสารพระองค์เกินเปรียบแล้ว แล้วพระนางก็ส่งกันแสงสะอื้นสั่นเทิมไปทั้งองค์เวเทหิพระเจ้าพิมพิาสารตรัสด้วยพระกระแสเสียงซึ่งปรากฏแก่พระนางเหมือนสะท้อนจากภูเขาความเป็นกษัตริย์สุขุมาลาชาติของเราหรือของใครใครก็ตามหรือความเป็นนั่นเป็นนี่ทั้งปวง เป็นเพียงเปลือกของคนหาใช่เป็นตัวคนที่แท้จริงไม่มนุษย์เราบางคนก็มีวัดคุณค่าของคนกันที่เปลือกยิ่งมีเปลือกหนามากเท่าใดก็แสดงถึงความเป็นคนอันสมบูรณ์มากขึ้นเพียงนั้นแต่ความจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่บางทีคนบางคนยิ่งเปลือกหนามากยิ่งมีความเป็นคนน้อยลงทุกที ความเป็นมนุษย์เป็นอันสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจนั้นอาจจะอยู่ในเรือนร่างของบุคคลซึ่งสังคมพากันรังเกยียจก็ได้สังคมยิ่งปลอมมากขึ้นเท่าใดก็ย่อมรังเกยียจของแท้ของจริงมากขึ้นเท่านั้นมนุษย์เรายิ่งแสวงหาความสุขชอบใจในความสุขปลอมๆ ม, มากขึ้นเพียงใดความสุขที่แท้จริงก็ลดลงมากเพียงนั้น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 ความลำบากยากเข็ญทําให้มนุษย์รู้จักความแท้จริงของชีวิตรสของชีวิตที่ความทุกข์ยากนี้เองชีวิตทุกชีวิตบ่ายหน้าเข้าสู่ความตายจะตายเร็วหรือตายช้าก็ต้องตายเหมือนกันความตายจึงเป็นหน้าที่อันหนึ่งของมนุษย์พูดถึงราชบริพารซึ่งเคยล้อมหน้าล้อมหลังแล้วบัดนี้กลับไม่มีใครเหลียวแลเรานั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างหนึ่งของโลก คนส่วนใหญ่ย่อมจะแวดล้อมบุคคลซึ่งอำนวยความสุขความสำเร็จให้แก่เข้าได้เมื่อบัดนี้เราไม่มีแล้วไม่มีทั้งทรัพย์และอำนาจที่จะอำนวยความสุขความสำเร็จแก่ใครเลยใครเล่าจะมาสนใจแวดล้อมให้เสียเวลาของเขาเราพูดนี้ไม่ได้พูดด้วยความน้อยใจเลยแต่พูดเพื่อให้เธอเห็นเรื่องนี้เป็นธรรมดาของโลก คนใหญ่คนโตทุกคนต้องเตรียมพร้อมเสมอที่จะต้องรับสภาพแบบนี้อันหนึ่งหากบุคคลที่จงรักภักดีหรือมีน้ำใจต่อเราจะมีอยู่เขาก็จะแวดล้อมเราไม่ได้เฉพาะเวลานี้เราเป็นนักโทษอยู่ที่คุมขังอีกประการหนึ่งอาชาติศัตรูถือเราเป็นศัตรูขร้าราชการบริพาณคนใดจะกล้าแสดงตนว่าเป็นมิตร และจงรักพักดีต่อบุคคลซึ่งเจ้านายของตนถือว่าเป็นอัมมิรเวลานี้ข้าราชบริพารทั้งหลายมีเจ้าเหนือหัวคนใหม่คืออาชาศัตรูลูกเราหน้าที่ของเขาคือจงรักพักดีต่อนายตนเขาทําถูกแล้วเวเทหิอย่าได้น้อยพระทยัยและคิดทางมิชอบต่อบุคคลเหล่านั้นเลยและและจอมเสนาแห่งแคว้นมคตก็ประนมรหัสขึ้น หันพระพักไปทางด้านภูเขาคิชฌูแล้วตรัสว่าขอพระบารมีแห่งพระพุทธองค์ได้โปรดคุ้มครองพระนางเจ้าเวเทหิอัครมเหสีและอาชาติศัตรูโอรสของพระองค์ให้อยู่โดยสงบสุขปราศจากภัยพิบัติทั้งปวงพระนางเจ้าเวเทหิทรงกันแสงร่ำไห้ประหนึ่งดวงหัดไทยจะแตกทำลายลง แต่ทรงหักพระทัยเสียได้ตามคำพระดำรัสแห่งพระสวามีและเสด็จสู่พระตำหนัก